อา่าโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอต่อจากวันก่อนเพราะนั้นว่ามันย้อนถึงเรื่องการฟื้นจากการตายเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วอาตมาในตอนนั้นนะก็เรียกว่าชอบรักษาอารมณ์ตามหนังสือเขียนว่าเมื่อขณะที่ฉันตาย อที่ฉันตายนี่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันก็ต้องอพอาะเขาโทษนะสือนี่อาตอมามองไม่ชัดไม่ชัดเมื่อคือนเพื่อเขาทนย้อนกล่าวใหม่ว่าเมื่อเมื่ อ, อฟื้อคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์คือคำว่ารักษาอารมณ์หมายความอารมณ์ที่เมื่อก่อนจะตายนะ่ะ เวลาภาวนาไปเห็นพระพุทธรูปสวยจะมีเป็นร่ากายภาพไม่รักมากเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันท่านอาจารย์ท่านให้เล่าให้ฟังนะแล้วก็ฉันก็ต้องเล่าให้ฟังคําว่าอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระพุทธพระพุทธรูปองค์นั่นแหละองค์ที่เห็นเมื่อขณะที่จะตาย ในเวลาที่มาบันทึกเสียงภาพท่านก็ปรากฏท่านบอกว่าควรจะเล่าให้ฟังเล่าจะ บ, บ่ายก็ฟังเวลานี้ก็เล่าได้ฟังได้แล้วเพราะเด็กๆเล็กๆอนุบายเขาก็ทำได้ถ้อท่านถึงด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์ที่ทำได้นี่หลายสิบคนแต่ผู้ที่ได้ปัญญาผู้ทได้ปัญญาจริงๆนับร้อยนับพันเลยนะ แม้แต่นักเรียนในร้อยนเรียนในเรือากาศนักเรียนในเรื อ, อ, าา น, ร น, น, รอนักเรียนในร้อยตำรวจเขาก็ทํากันได้เด็กในมหาวิทยาลัยต่างๆที่กําลังศึกษาได้ปัญญาตรีปัญญาโทก็ทําได้อย่างถ้าในการชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ได้กันยกตัวอย่างสักสองสามคนก็ได้อย่างทางทหารนี่ก็คือท่านพลเอกทรวทงสว น, นทัศน์ เวลานี้ดำรงต ำ, ำแหน่งเป็นรองเ ส, าสนาธิการทหารแองกรองบัญชาการอารสูงสุดท่านพู้นี้คล่องตัวมากยกตัวอย่างส่วนน้อยทหารนี่เยอะอย่างตำรวจก็มีท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืบสงวน นี่ท่านก็ครองขนาดเป็นครูก็ได้ท่านทนทองนี่เป็ น, เ ป, นเป็นตั้งตัวเป็นอาจารย์จําเป็นจะต้องสอ น, นเพราะเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ตุหาก็ อ, อย่าให้เป็นครูท่านก็เก่งท่านพลตำวตรีสมสั่งสืบซึิงวนนี้ท่านก็ครองตัวมากช่วยเป็นครูแในตหรับทางท้านเรือก็มีท่านพลเรือตรีจินดามุตท่กนกนี่ท่านก็เก่งท่านก็ครองมาก อากาศเวลานี้ทราบว่าเป็นเยืกรมแล้วอาจจะเป็นในคนนั่นก็คือนาวาอากาศเอกวิเศษอาธรโรจนวิพาธเวลานี้ทราบข่าวว่าตั้งเป็นเยื่อกรมแล้วที่พูดนี่เป็นพูดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้ารอยี่สิบสองในนั้นซื้อพิมพ์ลงว่าเป็นเยื่อกรมก็ควรจะเป็นในคนไป สำหรับบรรดาด้านด็อกเตอร์ก็เอาสักคนเดียวกคนล้วกันมีด็อกเตอร์เยอะคือด็อกเตอร์ปณิญานุตาไราอันนี้ก็ได้คล่องเคยเป็นครูเพรใช่ช่วยเป็นครูสอนนี่ท่านรู้กันหมดแล้วก็มีพวกโอ้เจ๊ะไปเวลานี้ถ้าหากว่าพระ อ, องค์ไหนบอกว่าไม่ได้นะอะ่าไปเชื่อทันเพราะว่าพระเนี่ยท่านเกรงวินัยบทหนึ่ง ว่าถ้าคนไม่ได้จริงๆไปกลา่าวตาไม่ไนายแท้ปรับเป็นโอท์โ อ, อุตโอทิมโนสธรรมขาดจากความเป็นพระถ้าได้จริงๆถ้าพูดเพื่ออวดท่านปรับไปบำบัติปาจิตตีนี่ถ้าว่าพูดเพื่อเป็นการสงเคราะห์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแสดงปาฏิหาริย์วังจะสร้างจะ จะทําปริหารสร้างสัทยายเกิดแก่ บ, บคุคคลผู้ศักดิ์ถ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการโอดแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการปรับในความจริงถว่าบรรดาพระทัางหลายท่านยังทรงมันยากอยู่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็บอกกับท่านได้ว่าเวลานี้ไม่จําเป็นต้องปิดแล้ว เพราะข้อนั้นหลายเหล่านี่เขาเปิดกันเปิดจึงก็ทั้งเด็กเด็กเล็กๆผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าขัติการทุกชั้นนักศึกษาทุกระดับเขาทํากันได้เมื่อเขาทามันได้แล้วก็ควรจะเปิดออกมาเป็นการให้กําลังใจแก่ บ, บคุคคลผู้ปฏิบัติได้ที่เขาเป็นพยาบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสํานักต่างๆท่านเขาสอนกันมากเวลานี่อาต่มารู้สึกขอบคุณท่าน เวลาที่บันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้ใหม่ๆเมื่อปีพศ .2514 ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าท่านที่ได้ท่านเงียบแต่เวลานี้ท่านยินได้ท่านไม่เงียบท่านสอนซะแล้วแต่ความจริงเวลานั้นท่านกัสอนกันอย่าลืงปู่ผลเนี่ยก็มาเปิดวิชาสอนแบบนี้ที่บ้านโมบ้านเศรษฐกิจพนมรีตั้งแต่ปีศูนย์ป แล้วก็แต่ความจริงท่านสอนมานานแล้วก็มีหลายๆท่านทางภาคอีสานทั้งภาคเหนือทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ท่านสอนกันเยอะแต่ว่าท่านเงียบๆอา ต, ตมาเนี่ยมันเป็นคนปากมากเพราะรู้ว่คนตัวจะตายมาก่อนก็เงียบเหมือนกันแต่ว่าขอโทษบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมีหลายท่านมาถามว่าบรรลุมรคลเมื่อไร ได้ฌานสมาบัติเมื่อไหร่อันนี้ต้องขอตอบตรงไปตรงมาตามใจตามปากชอบพูด ต, ต้องตอบว่าไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้ฌานสมาบัติและก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้มรรคได้ผลมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าตนของตนเวลานี้ เมื่อเวลาจะาตายจะยาสามารถพ้นนรกได้หรือไม่ได้ไม่ไไมแน่ใจนักรับฟังกันไว้เนี่ยก็จำกันไว้ด้วยนะอย่าไปคิดว่าตรรมมาเป็นพระทรงฌานสมาบัติที่เล่าฟังมาเป็นเรื่องของสมัยเด็กแล้วก็จงอย่าคิดว่าธมาเป็นพระอรียเจ้าคิดแต่เพียงว่าถ้าตายไปคราวนี้ อย่าพ้นจากตําแหน่งใหญ่คือตําแหน่งสัตว์นรกถ้าตําแหน่งที่รองลงมาก็คือตําแหน่งเปรตตาแหน่งที่รองลมาอีกตําแหน่งก็คือตําแหน่งอสุรกายตําแหน่งเล็กจิ๋วก็คือตําแหน่งสัตว์เลี้ยฉานไอ้สตําแหน่งเนี้ยท่านหาตําแหน่งว่างให้ตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่รอการบรรจุแต่มาเอินท่านจัดหาไว้ให้ก็ต้องไปอยู่จุดนี้แหละ เพราะว่าท่านไม่หาไว้ให้ก็คงจะมาเกิดไว้คนที่มีวาสนาบารมีไม่เท่าเขาถ้ามาเอิญก็ไม่เกิดเป็นคนถ้าจะไปเป็นเทวดาก็คงเป็นเทวดาแบบอังกุละเทพบุตรสําหรับอังกุละเทพบุตรนี่ไม่ราบประวัติจักบรรดาญาโยมพู้ธบริษัทฟังเวลาออกพรรษายอยู่เสมอเพราจะรูาา้ทราบคุยกันต่อไปนะถึงต้นไหนล่ะ พูดแล้วก็ไม่ได้มองหนังสือเลยไม่รู้จะไม่รู้ถึงตรงไหนแล้วเป็นนั้นว่าเอา้ามันไม่รู้ว่าตรงไห น, นเอา้ามึงเอา้าย้อนใหม่เมื่อฟื้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์อ๋อเราอารมณ์เดิมนะอารมณ์เมื่อก่อนอย่าตายที่ทํานึกพับเห็นพระนึกพับเห็นท่านแหมชอบใจ เห็นพระคืออาจารย์เวลานี้เวลาพูดนี่ท่านก็มานะแต่มาไม่เคยที่มาแต่เด็กเพราะรักท่านมากท่านเห็นแล้วก็ชื่ในใจท่านก็สวยสวยด้วยก็ยิ้มเวลายิ้มน้อยๆก็รู้สึกว่าชื่ในใจเวลาเหนือ่อย้นมาก็หายทันทีในบริการหนึ่งไม่เห็นท่านแล้วอยาจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีเวลานี้ไม่เอาแล้วไม่ดูไม่รู้เองแล้วถ้าต้องการจะรู้อะไรก็ถามท่าน เมื่อถามท่านบางอย่างถ้านบอกอันนี้ไม่ควรก็ไม่ควรใจท่านก็เลยไม่รู้ถ้าอย่างไหนท่านบอกว่าควรก็อยากก็รู้อย่างเรื่องโลกพระจัน์โลกแป้งคันเนี่ยครั้งหนึ่งถ้ามาถามมารู้เรื่องโลกพระจันทร์แป้งคันไหมบอกไม่รู้ท่านถามว่าทําไมจึงไม่รู้ก็เลยกราบเวียนให้บอกว่าเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่นสาร ท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นของไร้สาระแก่นสารท่านก็เลยนําไปดูโลกพระจันทร์โลกแางขานโลกพระจันทร์โลกแางขานโลกพระสุกโลกกุรุนี่ก็โลกจามอนโลกสู้ตัวอะไรคนเนี้โอ้มีคนเยอะยะนี่แล้วจะปรับกันมาอะไรก็มาเชิญปรับนะแต่ระวังระวังหน่อยนะระวังระวังหน่อยนะถ้าไม่ระวังจะพบกับของแข็ง เป็นเล่ากันต่อไปว่าเมื่อขนาดฉันจะตายตาหนังสือนะเมื่อขนาดที่ฉันจะตายนี่ท่าอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันอท่านให้เล่าให้ฟังฉันจะไม่เล่าก็เป็ได้ท่านบอกให้ต้องเล่าให้ฟังแต่ได้ว่าตอนนั้นเป็นปฏิบัตาของเด็กอายุสิบสองปีและฉันก็รักษามาจนกระทั่งถึงวันวันที่จะบวชพระ พยายามรักษารมอย่างนั้นตามหนงสือนะฉันชอบการท่องเที่ยวอย่างนั้นฉันรักพระองค์ที่รูปร่างสวยมีรัศมีสว่างผ่องใสฉันต้องการเห็นท่านทุกวันบางวันถ้าฉันว่างฉันก็เห็นท่านวันละหลายหลายชั่วโมงมันสบายใจแล้วก็เปิดเพลิน อ, อท่านเป็นพระใจดีเห็นแล้วก็มีความสุขฉันเรียกท่านเมื่อไรท่านก็มาหาฉันทันทีคํว่าเรียกนี่ก็นึกพอนึกพับเห็นทันทีเมื่อท่านมาหาฉันท่านก็ยิ้มสวยรูปร่างของท่านก็สวยผิวกายก็ผดผ่อง <c oughs> มีรัศมีสว่างสวยงามมากถ้าฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรทั้งตัว เพียงนิกพับว่าอยากเห็นท่านเป็นพิรไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรมาทันทีประเดี๋ยวเขาญาติสั่งน้ำหมกสนิทนะวันนี้ขอนญาติสั่งน้ำหมกออกอากาศเคยก็แดมเอมออกอากาศมาแล้วแล้วก็ดูกันต่อไปวันนังเสียหายประเดออ่า <c oughs> <c oughs> เปน็นนว่าผิวกายท่านผุดผ่องรัศมีก็สว่างสวยงามมากฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรท่านก็เป็นตัวอ่านซ้ำเนี่ยประานน้ำบมกแล้วลืมบรรทัดเพียงนึกว่าอยากจะเห็นท่านเป็นเพชรก็ไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรทันทีท่านใจดีฉันรักท่านมากนะนะแล้วก็จะบอกว่าทุกวัน ถ้าถูกใครเขาว่าฉันเขาด่าเขาว่าเขาบนน่ถ้าฉันไม่สบายใจฉันก็หาที่ปล่อยคนแล้วก็เรียกท่านมาหาวิธีเรียกของฉันก็เพียงแค่ยกมือไหว้ฟ้าแล้วก็กลับฉะนั้นก็ภาวนาว่าพุทโธเพียงสามคำเมื่อครบสามคำแล้วท่านก็มาหาทัานที พ อ, อมาท่านก็ยิ้มไม่เห็นท่านยิ้มฉันก็หมดความทุกข์ใจสบายใจแล้วเพราะคนชอบยิ้มนะถ้าฉันอยากจะไปดูนรกฉันก็บอกท่านว่าผมอยากจะไปดูนรกแล้วก็รับเมื่อบอกท่านแล้วท่านก็ไม่พูดท่านยิ้มอีกอนะ่ะท่านว่ายิ้มอย่างเดียว พอท่านยิ้มฉันก็ไปถึงที่เคยไปคุยกะะับตาลงศีคนทันทีนี่ท่านส่งไปได้วยการยิ้มนะเรียกว่ายิ้มพับจะถึงทันทีแต่ม่ตอนโง่นะบอกอยากดูสวรรค์น้ก็หมดเรื่องนั่นก็เมื่อเปิดาำมาอย่างไงแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปได้อย่างไง แต่ตอนนี้แต่มาก็ขอพูดว่าในแม่วุ้ยอ่านตำหนังสือนะก็ต้องขอพูดว่าท่านใช้อนุภาพเป็นการยิ้มคงจะส่งให้ไปและมั้งนะตำหนังสืว่าใช้คิดว่าการยิ้มของท่านเป็นการส่งฉันไปวันเวลานี่มันไม่แน่นอนจะเป็นกลางวันก็ได้เป็นกลางคืนก็ได้ ดีไม่ดีเวลาที่ฉันกิงข้าวอยู่คนเดียวหรือว่าดาหย่าสวนตอนนั้นเป็นลูกชาวสวนอยู่ที่ตำบลบรารมาตอำเภอเจริญชันจังหวัดชนบุรีบ้านยายของฉันอยู่ที่นั่นฉันไปอยู่กับยายของฉันฉันอยากจะไปในรกฉันก็วางมีดแล้วก็วางงานภาวนาว่าพระโธ่สามคำ ท่านก็มาหาฉันบอกว่าฉันจะอยากจะไปดูนรกท่านก็ยิม้มเมื่อท่านยิ้มแล้วฉันก็ไปนั่งตรงที่นั่งระคุยกับลงุงเมื่อฉันเห็นนรกขุมไหนเขาทำกันยังไงฉันก็เห็นตามใจฉันนึกว่าฉันอยากจะเห็นนรกขุมไหนนะว่านรกคุมนั้นเขามีปฏิิทาทำกันยังไง ฉันก็เห็นต่างใจฉันนึกเหมือนกับฉันได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นจะได้ว่าฉันไม่เคยขอยท่านส่งไปสวรรค์หรือว่าพรหมโลกเพราะฉันไม่มีความรู้เคยไปนรกก็ไปแต่นรกอย่างเดียวจะได้ว่าเมือง น, นรกนี่มีคนลงไปใหม่ทุกวันฉันจะเล่าเรื่องคนดีที่ว่าเป็นนักปราช สอนชาวบ้านเลีงในรกสวรรค์และเคยหาวาฉันไปในรกได้เป็นเรื่องโกโหกแต่ว่าท่านเองเป็นพระใหญ่เขาเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณพอท่านตายฉันก็ไปดักดูท่านดีทางเข้าเมืองนรกพบท่านไปทางนั้นเขารับท่านไปท่านมีเกียรติใหญ่ มีเจ้าหน้าที่คือคนรับใช้สี่คนน่งแดงใส่แดงพ่อโัวแดงเครือข่ายประคองท่านท่านเป็นผู้มียศใหญ่นะหรือว่าท่านมีวาสนาใหญ่ความดีของท่านก็เลยส่งลงท่านท่านลงอเวจีมานรกถ้าอยากจะทราบว่าเป็นกรรมอะไรของท่านก็ฟังกันต่อไปนี่ พระที่ท่านเป็นเจอาคุณสมัยนั้นนะ่ะท่านฉลาดไม่เท่าพระที่เป็นเจอาคุณพระครูในตำแหน่งหน้าที่ในสมัยนี้สมัยนี้คนจะเป็นรกเจ้าคุณพระครูนี่ต้องมีความสามารถมากเวลานี้ปัญญาก็มีเยอะเวลานี้ท่านไม่ไปนระกกันหรอกท่านดีมีฐานะมีบรรดาศักดิ์แบบนั้นน่ะบรรดาญาโยมพระเถริษรัท แว่าท่านมาเทศเรื่อคุยธรรมะอีกฝังถามเรื่องนรกสวรรค์พรทมโลกนิพพานท่านได้ทันทีอาจะมามั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยท่านทําได้ก็ไม่ใช่เด็กอนุบาลยังทําได้ทําไมพระท่านจะทําไม่ได้อาจจะมามีความมั่นใจคําว่าเด็กอนุบาลไม่ใช่มาธรมาเวลาเนี่ยเด็กนักเรียนอนุบาลจริงๆและการฝึกก็ไม่ได้ฝึกจากพระ ฝึกจากผู้ชายผู้หญิงที่ชาว บ, บ้านเนี่ยเขาทําได้และเขาสอนกันแม่ได้เพียงเด็ ก, กอายุหกเจ็ดปีเนี่ยแม้คลอ่องอาตมาหินก็อายอย่านึกว่าท่านที่ได้เป็นไรแล้วนั่นเป็นคนอาตมาสอนนั่นไม่ใช่หรอกคนอื่นเขาสอนกันอาจมาไปเห็นเห็นเข้าปรั๊บครบฝึกกันเดี๋ยวเดียวเขาไปได้เขาพูดมีเหตุมีผลให้เรารู้สึกอาย บางทีก็มาถามว่าหลวงพ่ออันนั้นอะไรเจ้าคะอันนี้อะไรเจ้าคะเพราะอายไม่อยากพูดเพระสู้เขาไม่ได้ตีสู้เขาไม่ได้ก็เพราะว่าเราคร่องไม่แถวเขาเวลาเราฝึกโอ้โหใช้เวลาตั้งนานเขาฝึกกันนับเป็นนาทีเนี่ยเขไม่นับเป็นวันท่นนานญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพระเวลานี้ท่านเป็นนักปราชญ์กันเยอะมีเป็นปรเรียนท่านสูงเป็นนักธรรมเป็นนักเกศ เป็นพระสังฆาดีการเป็นได้รับปริญญาโอ้ท่นนี้ท่านเก่งท่านเก่งทุกองญาโยมทุกคนสบายใจได้แล้วว่าพระท่านโท น, นี้ท่านดีจริงๆถ้าไม่ดีแล้วก็ท่านมันมาสอนโยมหรอกและท่านไม่ดีท่านก็คงไม่มาปกครองพระคนที่จะปกครองพระได้จริงๆพระที่ปกครองพระได้หนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นพิเศษ สองต้องมีฌานสมาบัตดีอย่างเยี่ยมสาม ม, าายาสามมีวิปัสนาญาณสามารถตักกิเลสไปสมุติเบตประหานได้ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่กล้าเข้ามาปกครองพระเพราะว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่ันดับหนึ่งผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นสาธุชนสองผู้ทรงฌานสมาบัตดีจัดเป็นกัญญาณชน สามตัสดสงโยชนได้เป็นพระอริยชนองค์สมเด็จพระทศพลท่ามันยกย่องอย่างอื่นที่ยกย่องอย่างนี้เป็นพระที่ท่านมียศฐามนมรดาศักด์เวลาที่จะแต่งตั้งยศเขาต้องเขียนประวัติความดีถาวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ขั้นพระราชาคณะเป็นว่าท่านมีความดีตามนั้นนึกแม้ขอขั้นไปถ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถวายยศเป็นพระราชาคณะขึ้นไป คพาว่าพระที่จะเป็นพระครูนี่เขาต้องเขียนประวัติความดีของท่านถวายสมเด็จพระชัยราชและถวายใครก็ไม่สาบถวายพระพระเหล่านั้นท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าดีจริงที่เขาแต่งตั้งมาฉะนั้นความดีของท่านโวกนี้แตมาคิดว่าเรื่องนรกก็ดีเปลกก็ดีสุรกายก็ดีสวรรค์ก็ดีพคมก็ดีนิพพานก็ดีไม่เกินวิสัยของท่านท่านต้องคล่องแคล่วแล้วท่านจึงเป็นได้ ไ อ, อ้ยังอาตมานี่จะถืออะไรเป็นที่พึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นพระชั้สวะเป็นพระกะเลวารากไม่มีผลนักเดี๋ยวเวลาพูดก็ไม่ได้จำมันทัดหนังสือแล้วมันอยู่ที่ไหนนะอืมมันอยู่ที่ไหนนะเอาเดี๋ยวต้องขึ้นต้นกันใหม่ดิเอาคุยกันต่อไปฝ่าอันนี้ขึ้นตน้นแบบพระลงเวจีนะ <c oughs> นาศีให้ว่าข้อพระลงอเวจีคือเจ้าคุณลงอเวจีก็แล้วกันเจ้าคุณสมัยนี้ถ้าไม่ลงอเวจีหรอกแล้วเจ้าคุณสมัยก่อนท่านยังโง่อยู่ท่านจะหลาดไม่เท่าเจ้าคุณสมัยนี้ท่านจะลงอเวจีเจ้าคุณสมัยนี้แต่มาคิดว่าท่านคงไปนิพพานหมดเจ้าคุณพระครูอะไรพวกนี้นะสมดกสมเด็จเนี่ยท่านคงไปนิพพานกันหมดเพราะว่าท่านดีมาก ถ้าไม่ดีจริงๆถ้าไม่มันนั่งควบคุมพระให้พระนับจำนวนเป็นแสนอยู่ใต้บงังคับบัญชาเอาคุยกันต่อไปแล้วเจ้าคุณพระครูต่างๆอย่าหาว่าแดกดันนะที่พูดด้วยความจริงใจอย่าลืมนะขี้เกียจกลัวกันแล้วนะหลังจากฉันพื้นจากตายได้ไม่ครบหนึ่งปีดีพระที่ท่านยายกับท่านแม่ชอบนิมนต์มาเทศ และก็เป็นพระองค์เดียวกันกับที่ท่านหาว่าฉันมีอารมณ์บ้าบาบอๆต า, บ า, บาตังสีนะแต่เพราะว่าชอบเรื่องของคนที่ตกนรกมาเล่าให้ท่านยายฟังเกือบทุกวันตอนนี้ก็รู้ว่าท่านยายชอบฟังเรื่องคนตกนรกเออดีเหมือนกันอ้อเราไปได้ทางเดียวเนี่ยท่านาทาง่านนิสวรรค์ก็บอกไปไม่ได้ครับยายครับผมไปได้แต่นรก แล้วเขาก็ทําอะไรมาจึงลงนรกเวลาไปถามเขาด้วยเขาบอกตรงเขาไม่โกหกเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องนรกนี่เองฉันก็เลยต้องไปนรกเป็นประจำวันในตาลสีนะใช้ศัพท์ว่าฉันนั่งสีว่าฉันยังดีกว่าเวลาที่ไปในรกฉันก็ไปไหนก็ไม่ได้นอกจากจะยืนอยู่ที่ยอดเขาที่ตาลลุงกระสังว่าห้ามเขา นี่ตั้งแต่มันเด็กแล้วนะคำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งไม่ละเมิดความจริงนะมีสิทธิ์ที่จะไปได้แต่ถ้าว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมัออะไรกับเขาเลยปกติก็เป็นคนเคารพคำสั่งของท่านยายแล้วก็ท่านแม่อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเรื่องคำสั่งไม่เคยละเมิดเว้นไว้แต่เป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการ ก็เลยต้องถูกลงโทษเพราะขัดคําสั่งนี่ไข่คําสั่งอะไรก็ต้องพบกับกระ บ, บ, บี่ญ า, าสิทธิ์คือไม่เร็วแม้แต่อยู่โรงเรียนเรื่องไข่คําสั่งไม่เคยถูกลงโทษเลยเรืออ่องการอยู่โรงเรียนเนี่ยบรรดาญาโยมพระทบิสสัตถ์เองเพื่อก็ถูกลงโทษกันอาตมาไม่เคยไม่เคยเพราะแต่ว่าครูสั่งว่าอะไรนี่มันเรื่องง่ายแลเรื่องเบากว่าที่บ้านดังเยอะ ที่บ้านนี่มีเรื่องข้ามกระจุ่มกระจิะจ้มตามระเบียบประเพณีเยอจะ <c oughs> แยะได้ว่าที่โรงเรียนนี้ดูว่าจะมีวินัยน้อยกว่าที่บ้านเลยสบายใจเการโทรลงโทษไม่มีเป็นะนั้ว่าเมื่อไปถึงเมืองในรกก็เลยไม่กล้าไขคําสั่งลุงท่านแต่ก็ทําให้ตาลุงคนนั้นลําบากไม่น้อยเพราะว่าถ้าฉันเกิดสงสัยไม่เข้าใจอะไรขึ้นมา ฉันก็นึกถึงลุงท่านลุงทันทีเมื่อนึกถึงท่านท่านก็นมาหาทัานทีเหมือนกันถามอะไรท่านท่านก็นบอกให้ฟังอย่างละเอียดถ้า ต, ตามที่ต้องการจะรู้กันเมื่อฉันได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าคุณที่คุณยายนับถือมากกันตายท่านเจ้าคุณองนี้ฉันไม่ไหวนะเห็นว่าไม่เจ็บข้าเห็นว่าเป็นเปรด เปรตในเขาได้รับกินของจากส่วนบนี่คนเองอุทิศให้แต่เจอคนตงนี้ก็มีสภาพเหมือนเปรตคอยจริงเครื่องกันคอยกินของถวายเห็นว่าท่านเป็นเปรตก็เลยไม่อยากจะไหวและก็ไม่ยอมไปเกีงของให้ด้วยตอนนี้พ่อะไร้พ่อเป็นเด็กนี่เกลียดท่านทัานหาว่าเรื่องที่เราไปนรกออหาว่าที่เราอายายฟังมันเป็นเรื่องที่โกหกพกลมนี่นะ พระคันนาเจ้าคุณสมัยนั้นท่านยังไม่เก่งท่านไม่ท่านเทศใดเขาฟังได้วันรุกมีจริงสวรรค์มีจริงรพมีจริงทำในนั้นดีทิมทำนี่ไม่ดีแต่ตัวเองไม่มีดีอะไรไม่เหมือนพระครูเจ้าคุณสมัยนี้ท่านเก่งท่านทําได้แล้วกันต่อไปว่าท่านอยากหามว่าโกหกนี่ไอ้เราไม่โกหกแต่ว่าท่านเป็นพระหาเราโกหกก็แสดงว่า ท่านไม่ช่พะท่านเป็นเปรืไอตัวท่านเองท่าก็พูดว่าท่านบวชมาสามสิบปีแล้วก็ไม่เคยเห็นนรกสักนิดนี่นตอต้นนี้ที่มันน่าคิดฉันก็เลยมานั่งเกลียดดําหน้าทานขึ้นมาโดยคิดว่าเจ้าพระแบบนี้มันบวชหลอกลวงชาวบ้านเขาหากิน มันเป็นความคิดของเด็กที่โง่ๆงงยังไม่รับการศึกษานะม่รับไม่รับการศึกษาธรรมะจริงคิดแบบนั้นท่านสีเลยไม่ยอมเคารพแม้แต่นิ้วสิบนิ้วก็เสียดายเวลาที่ยกมือขึ้นไวทันเมื่อท่านมาท่านยายให้ไปเก็งของฉันก็ไม่ยอมไปเก็ง โดยเรียนท่านยายต่อหน้าท่านว่าพระที่มีความสามารถไม่เท่าเด็กไม่อยากให้อะไรทั้งหมดแม้แต่น้าหยดหนึ่งตอนนี้ท่านโกรธมากเพราะว่าท่านเป็นเยาคุณวัดท่านอยู่ฝั่งพระนครท่านมีเป็นพระมีศักดา์ใหญ่สมัยโ น, นโนโะคูเยาคุณในใหญ่เบ้อยสมเด็จสมัยนี้ยังใหญ่ไม่เท่าเลย มีมณานาทิทิถือตัวถือตนมากใหญ่มากเวลานี้สมเด็จต่างๆไปหาท่านโอ้ท่านก็เหมือนเหมือนกับเราเราเนยะแสดงว่าน้ำใจของท่านตัดมณานาิทิได้เป็นพระ ด, ดีนี่ไม่ใช่ยกย่องไม่ยอ่อสนเสื่อมนะจริงๆมีสมเด็จแม้แต่สมเด็จตัวสังราราแต่ไม่เคยคุยกับท่านหรอกเคยไปฉันในงานสายจายไทย ท่านก็ทักเรื่อยคุยเรื่อยแบบธรรมดาธรรมดาถ้าไม่วางท่าวางศักดิ์ศรีความจริงพระสงฆราชเป็นใหญ่ที่สุดสําหรับพระโดยตําแหน่งแต่ว่าเวลาเห็นท่านเข้าโอ้ท่านเหมือนกับพ่อที่น่ารักอันนี้พูดในความจริงใจนะแลนวรรดาสมเด็จต่างๆเอากันเวลาเห็นท่มานี่มาี่มานี่เรียกโอ้มานี่มาี่มานี่ทับมแต่ถ้าท่านก็ดีที่โอ๋นี่พูดในความจริงนายโยมนะ แต่ว่าจะมีบางเอื่นองไหนเลวบ้างไม่ทราบนะที่พูดด้วยความจริงใจอ้าวบนไปบนมาจะให้หมดคอดก็ไม่หมดที่แล้วโยมเวลาหมดสามสิบนาทีที่แล้วขอลาก็แล้วกันนะวันนี้เลเกะกะไปหน่อยเป็นน้ว่าวันนี้หมดเวลาก็ต้องขอลาบรรดาญาโยมพุะตบริษัทธาก่อนวันหน้าฟังกันใหม่นะ ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ุณผลจงมีเดบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่รับฟังสวัสดี